35วิธีเจริญอิทธิบาทวงเล็บเปิด27กุมภาพันสองพในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดวิธีเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นทุกข์มีเครื่องมือสองตัวคือสติกับสัมมาสมาธิสติคือความระลึกได้ไม่ใช่กำหนดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆแล้วสติจะเกิดสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต ไม่ใช่จิตไหลไปแช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์สำมาสมาธิเกิดเพราะว่าจิตมีความสุขที่ได้รู้กายได้รู้ใจฉะนั้นเรามีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆอย่าหลงไปอย่าไหลออกไปที่อื่นให้รู้กายรู้ใจเอาไว้จิตมันจะตั้งมั่นในความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนี้มันมีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจอย่างพวกเราเวลาหลงๆมีความสุขรู้สึกไหมคนที่ภาวนายังไม่เป็นเวลาหลงๆมีความสุข เวลาหัดรู้สึกตัวมีความทุกข์แต่พอภาวนาเป็นรู้สึกตัวเป็นเราจะรู้เลยเวลาหลงมีความทุกข์เวลารู้สึกตัวแล้วมีความสุขฉะนั้นใจมันจะรู้สึกตัวของมันทั้งวันเลยเพราะมันชอบความสุขใจมันก็จะตั้งมั่นในการรู้กายตั้งมั่นในการรู้ใจขยันรู้มีฉันทะที่จะรู้เพราอมีฉันทะที่จะรู้ก็มีความภาคเพียนที่จะรู้มีฉันทะแล้วก็มีเวริยะ ใจิตใจจดจ่ออยู่กับการรู้ใจิตใจเคล้าเคลียอยู่กับการรู้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสารู้ไปเรื่อยๆในที่สุดปัญญาก็แจ้งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทคือธรรมะที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเวลาเราจะตายนะสมมุติยังไม่สมควรจะตายยังมีภารกิจนี่จเจริญอิทธิบาทไว้วิธีจเจริญอิทธิบาทจะเรียนไหม อันแรกเลยนะทำใจสบายก่อนทำความสงบเข้ามาก่อนพอทำความสงบเข้ามาแล้วอย่าน้อมใจไปอยู่ในนิพพานอย่าน้อมเข้าหานิพพานให้มีฉันทะขึ้นมาต้องมีฉันทะมีความพอใจที่จะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันอยู่ที่ว่าใจยังมีความพอใจที่จะทำอะไรสักอย่างไหมถ้าคนไหนปล่อยชีวิตให้แห้งแรง้งพักเดียวตายเลยฉะนั้นมีอธิบาทเอาไว้อย่างน้อยมีฉันทะในการปฏิบัติเอาไว้ งานของเรายังไม่จบอย่าเพิ่งตายกิจของเรายังมีที่จะต้องทำฉะนั้นเราขยันคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไม่ปล่อยเวลาทิ้งไปเฉยๆจเจริญเอาไว้นะสิ่งเหล่านี้ฝึกได้อันแรกเลยใจต้องมีแรงก่อนอย่าปล่อยใจให้หมดเรี่ยวหมดแรงไปใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วน้อมไปสู่กิจกรรมอะไรสักอันที่มันมีประโยชน์แล้วจะเกิดความภาคเพียรขึ้นมาสติจิตมันจะจดจ่อลงไป จิต ท, ที่จดจ่อลงไปก็มีพลังขึ้นมาหรือเราทำงานที่เราชอบนี่จิตมีปิติขึ้นมาจิต ท, ที่มีปิติมันมีพลังหล่อเลี้ยงไม่ตายง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเกิดปิติไม่ตายง่ายง่ายฝึกเอานะ